บทที่38นารีผลวัดป่ามะม่วงวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาที่กุฏิท่านพระครูเหมือนเช่นเคยในสมชายต้องปักหลักรับแขกแทนท่านสมพานเราะว่าการรับแขกของเขาไม่เหมือนกับท่านพระครูทั้ง น, นี้เพราะเขาไม่สามารถอธิบายข้ออัฏฐะข้อธรรม หรือแก้ปัญหาให้ญาติโยมได้เพียงแต่พูดประโยคซ้ำๆว่าหลวงพ่อไม่อยู่ครับท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดลำพูนคำบอกเล่าของเขาทำให้คนฟังมีปฏิกิริยาโต้อตอบในลักษณะที่แตกต่างกันคนที่อบรมกายอบรมจิตมาดีสะละเสริญว่าท่านเมตตาเหลือเกิน วันหลังชั้นจะได้นิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านบ้างส่วนคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตก็แสดงอาการหงุดหงิดขัดเคืองออกมาให้ปรากฏบางรายถึงกับพูดอย่างไม่เกรงใจว่าอะไรกันเป็นพระเป็นเจ้าทำไมไม่รู้จักอยู่วัดคนเข้ามาเสียเวลาเสียค่ารถค่าเรือก็ยังไม่อยู่ให้เขาพบอะไรทานองนี้ นายสมชายจึงเกิดความคิดใหม่เขาไม่ควรจะมานั่งรับหน้าอยู่ที่นี่ควรเขียนป้ายติดไว้ที่ประตูให้พวกเขาอ่านเขาจะพูดจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่อยากได้ยินได้ฟังอีกแล้วคิดได้ดังนี้ลุกขึ้นไปหากระดาษและปากกามาเขียนเสร็จแล้วก็ติดไว้ที่หน้าประตูด้านนอกปิดประตูกุฏิอย่างเรียบร้อย กำลังจะเดินไปยังหอประชุมเพื่อดูความเรียบร้อยของผู้ปฏิบัติธรรมญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็พากันมาถามว่าหลวงพ่อไปไหนอ่านดูสิครับเขาชี้ข้อความที่ติดไว้ตรงประตูกุฏิอ่านไม่ออกช่วยบอกหน่อยบุรุษหนึ่งรีตาพูดให้คนที่อ่านออกอ่านให้ฟังก็ได้คงไม่ใช่อ่านไม่ออกทั้งกลุ่มหรอกนะครับ เมื่อฝ่ายนั้นเล่นแงมาเขาจึงต้องเล่นแงตอบแต่ผมอยากให้คุณอ่านอยากฟังเสียงคุณไม่อยากฟังเสียงคนอื่นที่มาด้วยมันเบื่อเขาพูดกุนกวนนายสมชายไม่ปรารถนาจะต่อความยาวสาวความยืดจึงอ่านให้เขาฟังทว่าบรุษนั้นกลับพูดกุนกวนอีกว่าของกล้วยๆแค่นี้ใครๆก็อ่านได้ ไม่เห็นจะต้องมาอ่านให้ฟังและทำไมไม่อา่านล่ะนายสมชายอยากจะย้อนออกไปอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างที่อยากได้แต่นิ่งและบริกรรมไม่โกรธหนอไม่โกรธหนออยู่ในใจนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่ว่าบางคนเข้าวัดก็เพื่อจะมาหาเรื่องกับพระนายคนนี้มาไม่เจอพระ ก็เลยหาเรื่องกับโยมแทนเขาไม่ต้องการมีเรื่องจึงยืนนิ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ถูกต่อว่าอีกยืนนิ่งอยู่ทําไมล่ะจะไปไหนก็ไปสิครับครับงั้นผมขอตัวเขายกมือไหว้บุรุษนะั้นแล้วก็เดินหลีกออกมาเดี๋ยวก่อนยังไปไหนไม่ได้บุรุษนั้นห้ามนายสมชายถ้าจะหมดความอดทน หากก็ต้องฝืนใจทำความดีต่อไปด้วยการถามเขาว่ามีอะไรจะให้ผมรับใช้ห่อครับมีสิช่วยเอานารีผลมาให้ดูหน่อยอยากดูสิทธก้นกุติคิดว่าถ้าเขาบอกไปตามตรงบุรุษผู้นี้ก็จะต้องหาเรื่องหาราวให้เขาต้องปวดเสียนเวียนเกล้าอีกจึงจำต้องบอกแบบอ้อมๆว่า เอาไว้หลวงพ่อกลับมาก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าท่านเก็บไว้ที่ไหนก็ไปหาดูสิอยู่ในห้องท่านนั่นแหละคนดูดีๆผมไม่กล้าคนหรอกครับหลวงพ่อท่านไม่ชอบให้ใครยุ่งยามในห้องส่วนตัวของท่านเขาตอบเลี่ยงไปอีกทางอะไรกันเป็นพระทําไมไม่รู้จักปล่อยวางพระก็เป็นคนนี่ครับทีคนยังไม่ปล่อยวางและจะไปบังคับให้พระปล่อยวาง สิ่์ก้นกุติกำลังหมดความอดทนคุณว่าใครถามอย่างจะเอาเรื่องว่าคนที่ไม่ปล่อยวางและบังคับให้พระปล่อยวางนะครับคุณว่าผมหรือในสมชายคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่มันต้องบ้าแน่ๆเราจะต้องบ้าให้มากกว่ามันไม่งั้นเรื่องก็ไม่จบแน่คิดแล้วจึงตอบไปว่าผมไม่ได้ว่าผม ไม่ได้ว่าขนไม่ได้ว่าเล็บไม่ได้ว่าฟันไม่ได้ว่าหนังไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นเกสาโลมานะขาทันตาตตะโจตัะโจทันตานะขาโลมาเกสาผมไม่ได้ว่าคุณว่าอะไรนะบุรุษนั้นถามงงๆตัจักปัญจกะกรรมฐานครับเกสาโลมานะขาทันตาตตะโจตตะโจทันตานะขาโลมาเกสา หลวงพ่อท่านสอนว่านี้เป็นมูลฐานที่ผู้บวชทุกคนจะต้องพิจารณาเบื้องต้นปรากฏว่าได้ผลเกินคาดเพราะบุรุษนั้นบอกกับพักพวกว่าเฮ้ยพวกเรากลับกันเถอะมาเจอคนบ้าเข้าแล้วโบราณท่านสอนว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมากลับว้อยกลับแหมผมว่าลูกพี่ก็บ้าแล้วนะมาเจอไอ้นี่บ้ายิ่งกว่า โบรุษ <advantages? S 1> ท, ที่มาด้วยการพูดขึ้นมึงว่าอะไรนะลูกพี่หันมาขวับให้แล้วก็ทำตาเขียวใสแแหะเปล่าครับผมเพียงแต่จะบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าลูกน้องตอบพลางหัวเราะแแหะแล้วใครเป็นฟ้า ใครเหนือฟ้าถามอย่างจะเอาเรื่องฮผมยังพูดไม่ทันจบครับคือผมจะพูดว่าเนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเนื้อฟ้าของฟ้าก็ยังมีลูกพี่ยังไงละ่ะเออแบบนี้ค่อยฟังขึ้นหน่อยเอาละไปได้พูดจบก็เดินนำพักพวกไปยังลานจอดรถนายสมชายมองตามไป พลางคิดในใจว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยแต่ก็ยังดีที่คิดมาวัดเอแต่ถ้ามาวัดเพื่อหาเรื่องคนโน้นคนนี้ไม่มาดีกว่าจะได้ไม่บาปพ่อนมลงพ่อท่านจะกราบเมื่อไรสตรีสูงวัยถามหลังจากอ่านข้อความที่ติดไว้หน้าประตูแล้ววันนี้หลักครับแต่คงจะดึก พรุ่งนี้คุณป้าค่อยมาใหม่ดีไหมครับเขาแนะนําแม้เสียดายจริงป้าอยากจะมาดูมักกะลีผลเขาว่าที่วัดป่ามะม่วงมีต้นมักกะลีผลป้าก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาอยากรู้ว่าลูกมักกะลีผลสวยเท่ากับป้าตอนสาวๆไหมพ่อหนุ่มพาป้าไปดูหน่อยสิท่านสมพานไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร ป้าอยากจะดูมั ก, กรีผลมากกว่าอยากดูสมพานคนสูงอายุบอกจุดประสงค์ของการมาป้ารู้ได้ยังไงว่าวัดนี้มีต้นมั ก, กรีผลผมอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้เลยก็เองไปมุดหัวอยู่ที่ไหนหล่ะถึงได้ไม่รู้เข้าลือกันแซกว่าวัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ออกลูกเป็นคนเองไปอยู่สักที่ไหนถึงไม่รู้งี่เง่า นายสมชายถูกประเมินผลว่าเป็นคนงี่เงา่าป้านั่นแหละงี่เงา่าทั้งงี่ทั้งเง่าทั้งงมทั้งงายชายหนุ่มเถียงในใจเพราะถ้าเถียงออกนอกใจจะถูกตาหนิว่าไร้มารยาทชาติผู้ดีเห็นสิทวัดไม่เถียงสตรีสูงวัยก็ย้ำอีกว่าเองน่ะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้ผมก็อยู่ที่นี่ล่ะครับ แล้วก็ขอยืนยันว่าวัดนี้ไม่มีต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนส่วนมักกะลีผลนั้นเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาพยายามอธิบายทำไมถึงไม่มีละ่ะก็เพราะเจ้าของเขาเอาคืนไปแล้วเขาเอามาฝากไว้ชั่วคราวถ้าป้าอยากดูก็ไปดูได้ที่วัดเขาบอกชื่อวัดที่พระสรัมฤทธิ์จำพรรษาอยู่อย่างนั้นหรือ แล้วสวยไหมกับป้าเนี่ยใครสวยกว่ากันนายสมชายนึกถึงซากทารกเหี่ยวๆที่นอนขดอยู่ในพานซึ่งนอกจากจะหาความสวยไม่ได้แล้วยังดูหน้าเกลียดอีกด้วยจึงตอบสตรีนั่นไปว่าป้าสวยกว่าหน่อยนึงจริงหรือแสดงว่าพอนมตาแหลมถึงได้เห็นว่าป้าสวยกว่า พูดแล้วจะหาว่าคุยตอนป้าสาวๆนะ่ะป้าสวยอย่าบอกใครมีคนเข้ามาทาบทามจะส่งเข้าประกวดนางงามแต่พ่อของป้าแกหวงลูกสาวไม่ยอมให้ส่งประกวดคงไม่อยากให้ป้านุ่งน้อยห่มน้อยมัง้งสิทวัดออกความเห็นไม่ใช่รอกสมัยนั้นเขานุ่งโจงกระเบนกันไม่ได้หนุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนสมัยนี้หรอก แล้วทำไมพ่อป้าถึงไม่ให้ประกวดล่ะครับถามอย่างนึกสนุกเพราะมองเท่าไรก็ไม่เห็นความสวยของสตรีตรงหน้าแกกลัวว่าจะไม่มีคนมาช่วยทํานาน่ะสิถ้าป้าได้เป็นนางงามป้าก็จะไม่ทํานาให้เสียฟอร์มพ่อแกก็เลยไม่ยอมให้เขาประกวดป้าก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เป็นนางงามนั่นสิ ลูกสาวของเพื่อนพ่อก็เลยได้เป็นเขาสวยน้อยกว่าป้าตั้งเยอะใครๆก็พูดกันอย่างนี้ ย, ย่ากากลับกันเถอะป่านี้ปู่บ่นแล้วมั้งเด็กสาวที่มาด้วยบอกผู้เป็นย่าหลานสาวเหรอครับสมชายถามจ้ะหลานสาวคนเดียวของป้าถ้าอยากเห็นป้าตอนสาวๆก็ดูหลานสาวได้ ทอดย่าออกมาทุกอย่างเลยพ่อนุม่มว่าเหมือนป้าไหมนายสมชายตอบทันทีว่าเหมือนครับเหมือนกันอย่างกับแกะแต่อีกประโยคนึงที่ไม่ได้พูดออกมาก็คือไม่สวยเลยสักนิดก็เพราะเหมือนญ่านี่แหละป้าเห็นจะต้องลาพ่อนุม่มจะไปดูมักกรีผลที่วัดโน้นหน่อยนางหมายถึงวัดที่นายสมชายบอก สตรีสูงอายุกับหล้านสาวกลับไปแล้วนายสมชายก็ได้ความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างต้นมะกะรีผลขึ้นมาในวัดเวลามีญาติโยมมาถามจะได้มีให้เขาดูแบบนี้น่าจะช่วยลดภาระของหลวงพ่อไปได้บ้างเพราะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ญาติโยมจะไม่ถามถึงเรื่องมะกะรีผลหรือนารีผล คิดได้ดังนี้แล้วก็เดินไปหาหนายสมชาติที่หอประชุมเพื่อปรึกษาหารือนายสมชาติมาคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักปฏิบัติธรรมที่หอประชุมเจริญชัยรุ่นนี้มีนายแพทย์หนุ่มรูปหล่อมาปฏิบัติด้วยเขาจึงเฝ้าดูแลเอาใจใส่ ย, ยิ่งกว่ารุ่นอื่นๆเมื่อก่อนเมื่อมีหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาปฏิบัติเขากับนายขุนทองเป็นต้องมีเรื่องผิดใจกัน เพราะชายหนุ่มเป็นต้นเหตุแต่เมื่อในขุนทองบวชเป็นพระแล้วเขาก็ไม่มีคู่แข่งกระนั้นก็ยังไม่มีชายหนุ่มคนใดทำท่าว่าจะมาชอบพอเขาก็ได้แต่รอต่อไปสักวันหนึ่งคงจะสมหวังกับเขาบ้าง อยากปรึกษาอะไรกับเองหน่อยสิทธ์ก้นกุฏิบอกน้องชายที่ทาท่าว่าจะกลายเป็นน้องสาวมีอะไรจะปรึกษาหนูละฮะเรื่องสำคัญหรือเปล่าก็สำคัญเหมือนกันคือข้าคิดจะสร้างต้นมะกะลีผลหรือต้นนารีผลขึ้นมาเองว่าดีไหมสร้างขึ้นมาทำไมล่ะก็ในเมื่อหนูยังไม่รู้ว่าพี่จะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร และจะให้ตอบว่าดีหรือไม่ดีได้ยังไงน้องชายยังไม่ออกความเห็นอ้าวข้านึกว่าเองรู้เรื่องแล้วเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรที่หนูยังไม่รู้หรือก็เรื่องที่พระสรัมฤทธ์มาเอานารีผลคืนไปแล้วญาติโยมก็มาขอดูจากหลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ท่านบอกแล้วบอกอีกว่าคืนเจ้าของเข้าไปแล้ว เมื่อกี้ก็มาสองรายจะมาขอดูข้าก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะสร้างมันขึ้นมาสักต้นหนึ่งเอ็งว่าดีไหมวิเศษเลยค่ะจะได้ช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อแต่ว่าพี่จะเอาอะไรมาสร้างละ่ะและพี่เคยเห็นต้นนารีผลหรือเปล่าก็นี่แหละที่ข้าจะมาปรึกษาเอ็งละเรามาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงดี เดี๋ยวขอเวลาหนูคิดก่อนต้นนารีผลหรือว่ามักกะีผลเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเนาะในสมชาติถามพี่ชายเหมือนกันจะเรียกมั ก, กระีผลหรือว่า น, านารีผลก็ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าบางครั้งก็เรียกว่ามักระีผลนายสมชายตอบมั ก, กระีผลคือต้อนไม้ที่ออกลูกมาเป็นคนใช่ไหมใช่ เป็นหญิงสาวโสภาอายุราวสิบห้าสิบหกงั้นหนูคิดออกแล้วเราก็ไปซื้อตุกตามาแขวนไว้ที่ต้นไม้เอาต้นมาปรางก็แล้วกันแล้วบอกญาติโยมว่านี่ไงต้นมะกะรีผลนายสงชาติออกความคิดเออเข้าถ่าดีแต่ข้าว่าแขวนบนต้นมะม่วงดีกว่าพระหลวงพ่อท่านบอกว่าต้นมะการีผลมีใบคล้ายมะม่วง แต่ขนาดใหญ่เท่าใบตองเพราะฉะนั้นเราเอาตุ ก, กตาไปแขวนไว้บนต้นมะม่วงน่าจะดีกว่าถ้าหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นจริงหนูก็เห็นด้วยแต่ว่าพี่ว่าจะแขวนทุกต้นเลยหรือมะม่วงวัดเรามีตั้งหลายต้นหนูว่าแขวนต้นเดียวก็พอข้าก็ตั้งใจว่าจะแขวนต้นเดียวเหมือนกันจะได้ไม่เปลือง ถงั้นเราลงมือกันวันนี้เลยนะเอาต้นที่อยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อก็แล้วกันจะดีหรือเอาต้นไกลๆกุฏิหน่อยไม่ดีหรือหนูกลัวว่าหลวงพ่อท่านจะเล่นงานเราสองคนนะสิคงไม่รอกเราทําพระหวังดีต่อท่านท่านคงไม่ว่าอะไรดีซิอีกท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามญาติโยมให้เสียเวลาทำมาหากินนายสมชายคิดแต่ในทางบวก งั้นก็ตามใจพี่แล้วกันแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูขอสละสิทธ์นะสละสิทธิ์ที่จะรับผิดขอรับแต่ชอบอย่างเดียวส่วนผิดพี่ช่วยรับไปก็แล้วกันน้องชายพูดป้องกันตัวเองไว้เสร็จสับเรื่องนั้นข้ารู้แล้วเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยนะอยู่วัดมาตั้งนานน่าจะนิสัยดีขึ้นบ้าง ชายหนุ่มว่าน้องชายเปลี่ยนได้ไงล่ะพี่ถ้าเป็นนิสัยก็พอจะเปลี่ยนได้บ้างแต่นี่มันกลายเป็นสันดาลแล้วพี่ไม่เคยได้ยินเขาพูดกันรู้ว่าสันดานนักขุดได้แต่สันดาลนักขุดไม่ได้เพราะมันซึมซาบเข้าไปในสายเลือดแล้วเอาละเอาละไม่ต้องสาทยายให้มันมากมายเกินไปเป็นอันว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อตุ๊กตา ก, กัน ซื้อที่ตลาดสิงห์บุรีนี่แหละเอามาสักยี่สิบตัวก็คงพอดูห ล, หลายขนาดหน่อยคนพี่เป็นผู้สรุปเอาขนาดเดียวพอหลวงพ่อท่านบอกว่ามักลีผลมีขนาดเท่ากันหมดไม่ใช่หรือรู้อยากให้ยึดหลักว่าต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดเองเคยเห็นของจริงแล้วหรือพี่ชายย้อนถาม ของจริงตอนสวยๆนะ่ะยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ตอนมันเหี่ยวแล้วที่หลวงพ่อสำมฤทธิ์มาเอาคืนไปนะ่ะไม่รู้ท่านจะงกไปทำไมกะอีกแค่ซากทารกเหี่ยวๆสองตัวนั่นว่าแต่ตุ ก, กตาที่เราจะเอาไปแขวนต้นมะม่วงนะ่ะต้องเอาตัวสวยๆนะเหี่ยวๆอย่างนารีผลหนูไม่เอานะอ้าวก็ไหนเองจะยึดหลักว่าต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดไงละ่ะ ถ้าสวยก็ไม่เหมือนของจริงนะสิพี่ชายขัดคอก็เหมือนตอนสวยๆไม่ใช่เหมือนตอนเหี่ยวเยียวถึงเราจะไม่เคยเห็นตอนสวยๆก็ยึดคาพูดหลวงพ่อเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นเป็นสัจธรรมท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงตกลงงั้นหลังเพลงเราไปตลาดสิงห์บุรีกันนายสมชายนัดแน่ ก, กับน้องร่วมอุทร หลังจากนั้นจึงเดินทางไปสำรวจความเรียบร้อยในครัวคืนนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดเมื่อเวลาสองยามจึงไม่เห็นผลงานที่สองพี่น้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นมาตอนบ่ายเจ้าของบ้านไม่ได้นั่งรถมาส่งท่านแต่ได้ให้คนขับมาสองคนเพื่อผลัดเปลี่ยนกันหากอีกคนเกิดง่วงนอนส่งท่านแล้ว คนรถทั้งสองก็ตีรถกลับลำโพงตามคำสั่งของเจ้านายวันรุ่งขึ้นท่านพระครูลงมารับแขกตามปกติขณะที่กําลังนั่งคุยกับญาติโยมอยู่นั้นก็เห็นนายสมชายยืนคุยกับญาติโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเห็นโยมคนนั้นแงนขึ้นไปดูอะไรบางอย่างแล้วยกมือไหว้ปลกปลกจะว่าไหว้ในสมชายก็คงไม่ใช่ ท่าทางเจ้าหมอนั่นมีพิรุษอย่างไรชบับกนความอยากรู้ทำให้ต้องพึ่งเห็นหนอแล้วท่านก็ได้รู้และก็ได้ยินโยมคนนั้นเดินกลับไปอีกคนก็เดินมาถามในสมชายว่าเขาลือกันว่าวัดนี้มีต้นไม้ออกลูกเป็นคน จริงหรือพ่อหนุ่มนางถามในส่สมชาติจริงสิฮะนั่นไงห้อยอยู่บนต้นโน้นเขาชี้ขึ้นไปบนยอดมะม่วงโยมคนนั้นมองตามขึ้นไปก็เห็นห้อยอยู่ตัวเล็กๆสีชมพูเหมือนตุ๊กตาจริงยกมือขึ้นสาธุพร้อมรำพึงด้วยความปลาบปรื้มยินดีจะประคุณเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นสาธุ ขอให้ลูกช้างร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเธอจะประคุณและก็ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกท่านพระครูคิดว่าต้องจัดการกับพี่น้องสองคนนี้โทษฐานที่หลอกลวงประชาชนที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือใช้วัดของท่านเป็นสถานที่ทำการในถ้าจะคณะจังหวัดรู้เข้าท่านเห็นจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่ ดีไม่ดีท่านอาจจะถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับลูกศิษย์หลอกลวงประชาชนแต่จะทําอะไรให้เป็นการหักหน้าลูกศิษย์ก็ไม่ดีรอให้ญาติโยมกลับไปเชก่อนค่อยว่ากันดังนั้นท่านจึงสนทนากับญาติโยมต่อไปกระทั่งถึงเวลาอาหารกลางวันไปรับประทานอาหารกันก่อนทานให้มากๆนะใครรับประทานข้าววัดนี้ แล้วกลับไปรวยทุกคนท่านพูดยิ้มยิ้มบรรดาที่คนอยากรวยจึงพากันกราบท่านแล้วก็ลุกเดินไปยังโรงครัวซึ่งมีอาหารตั้งไว้ให้บริการตนเองตอนค่านายแดงถูกท่านประครูใช้ให้มาตามนายสมชายกับนายสมชาติขึ้นไปพบคนทั้งสองพอที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกราบท่านแล้วจึงพากันนั่งก้มหน้าอยู่ เธอสองคนทําอะไรไว้รู้หรือเปล่าว่าจะทําให้ฉันเดือดร้อนเดือดร้อนอยังไงฮะหนูไม่เห็นว่าหลวงพ่อจะต้องเดือดร้อนตรงไหนดีซิอีกที่ไม่ต้องมานั่งสาธยายให้ญาติโยมฟังอย่างแต่ก่อนนี่เราสองคนช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อนะฮะนายสมชาติพูดแทนพี่ชายค่อนข้างแน่ใจว่าถูกเรียกครั้งนี้จะต้องเนื่องมาจากมักกะลีผล พ่อนั้นฉันรู้รู้ว่าเธอสองคนมีเจตนาดีแต่ฉันไม่ต้องการให้เธอไปหลอกลวงญาติโยมเขาพรุ่งนี้ไปจัดการปลดลงมาให้หมดเอาละกลับไปได้สองพี่น้องมองตา ก, กันและต่างก็ก้มลงกราบโดยไม่รู้จะพูดอะไรออกพรรษาแล้วจะรับกระถินพระกุณทองก็ลาสิกขาท่านพระครูรู้สึกโล่งใจ ที่หลานชายไม่ได้กลายเป็นหลานสาวนายขุนทองขออนุญาตกลับไปบ้านสองสามวันท่านก็อนุญาตวันที่สี่สาวน้อยนางหนึ่งก็ขึ้นไปหาท่านยังกุฏิชั้นบนท่านออกตกใจและนึกตำหนินายสมชายที่ปล่อยให้มาตุกามขึ้นมายุ่มย้ามในยามวิการเพราะขณะนั้นเป็นเวลาทุ่มเศษจึงถามหลอนว่า โยมเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงขึ้นมาถึงบนนี้อัตมาไม่อนุญาตให้สตรีเพศขึ้นมานอกจากมิโยมผู้ชายขึ้นมาด้วยขอโทษนะขอเชิญลงไปข้างล่างมีอะไรเร่งด่วนก็ให้ลูกศิษย์อัตมาขึ้นมาบอกท่านต่อว่าพร้อมเชิญให้ลงไปส้าวน้อยยิ้มสดใสใบหน้าไม่สรดดลงเลยสักนิดท่านคลับคล้ายคลับคลาว่า ยิ้มอย่างนี้เหมือนใครหนอหากก็นึกไม่ออกเจ้าหล่อนทาปากแดงแปด๊ดดัดผมหยิกหยองทรงงูเก่งกองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมท่านเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาว่ากลัวว่าหล่อนจะมีพฤติกรรมแบบชีชะบาที่ถูกจ้างให้มาทำลายท่านจึงส่งเสียงลงใบข้างล่างสมชายอยู่หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนนี่ด่วน แม่สาวน้อยขู ว, ว่ากลัวหรือเดี๋ยวก็ปรำเสียหรอกยานะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับในข้อหาบกุกรุกท่านขูบ้างชลอยท่านจะแสดงอาการกลัวมากเกินไปสาวน้อยเกิดความสงสารจรึงพูดขึ้นว่าหนูเองละหาลงุงอะไรจำขุนทองไม่ได้ซะแล้วพูดพรางหัวเราะคิกคักเองหรอกหรือขุนทอง ไปเอาวิกที่ไหนมาใส่ล่ะเล่นเอาค่าตกใจหมดหลงลงุงพูดอย่างโล่งอกโล่งอกที่หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกที่หลานชายกลายเป็นหลานสาวอีกครั้งทำไมเองกลับมาเป็นคนเข่าวอีกล่ะท่านถามอา้าวก็หลงลุงบอกไว้ไม่ใช่หรือว่าหนูจะเกิดเป็นกระเทยชาตินี้ชาติสุดท้ายไหนไหนก็เป็นชาติสุดท้ายแล้ว ต้องเป็นไซ้มันสิ้นสุดไปเลย